สำหรับวันนี้บันดาท่างพุทธวริจได้สมาทานศีลสมาทานและรมาานแล้วตอนนี้ไปมพขอสนิทลาไให้ยาวศึกษาเรื่องการสิ่งความสุกข์แต่ ว, ว่าเราบวชขมาในพระพวจนะหรือว่าเราปฏิบัติธรรมในวจนะ นี่เราต้องการที่สุดของความทุกข์ด้วความดับไม่มเีเชื่อเชื่อที่มีความสำคัญมีสุดก็คือหนึ่งอันได้ความรักในระหว่างเพศหรือรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส <c oughs> อันเนการดึงอารมณ์ให้จงอยู่ในความหลงเข้าใความโลก อยากแะรำ่ำรวยคนคนดีโดยไม่ได้คิดถึงความจมาริงจริงว่าเราจะตายสามมีความโกรธความชัาวบัดจออร่าจองขายคิดว่าทุจร้ายกว่าคนอื่นสี่มีความหลงไม่ยอมรับสัตย์สทธิกอนความเป็นจริงให้เจ้าสี่เรานี้ถ้าตามพระบาลีเช่นเดีสาม หมายความว่าความรักกับความโลภท่านโลภก็เป็นหนึ่งเดียวกันความโรดกับความพยียามบาตเป็นดเดียวกันและก็ความหลอมีการปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงสรอนให้ตัดความชั่วก็รวมทั้งสามตัว ถ้าหว่าเราตัดความชั่วการมทั้งสามประการนี้ได้ได้กับความโลภความขั่วความหลงอย่าลืมว่าความโลภก็แยกเป็นความรักด้วยความโกรธโกรนและการขยับบาดจรองล้างจองผลด้วยแล้วกัความหลงเมื่อเราสามารถขุดรากขุดเข้าความชั่วทั้งสามประการนี้ได้แล้วความชั่วอื่นใดในจิตก็ไม่มี คั้งนี้พ่อะห่พระเอสามประการในรกระด้างเข้าความชั่วทั้งหมดอารมณ์ชั่วทุกอย่าง <c oughs> ที่เราจะนับเราจะแยกไปก็ เ, เป็นหมืน่นเป็นแสนอย่าง <c oughs> ตามอารมณ์ของจิตแต่ว่าความชั่วจะในอย่างในอย่างเมื่อบรรลแล้วก็จะส่งตัวในเขตสามประการานั้นเปนอนดับแรกที่บรรดาธรรมปุโรหิตจัด ให้ถอนรากเราความชัวจุดที่เราจะถอนทั้งหมดก็ต้องเริ่มต้นใน ม, มรณานุสติกรรมฐาน ท, ที่ก่อนไ <c oughs> ม่ว่าสกายจิติการเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเรา <c oughs> ตัวนี้ถ้าจะพูดไปสาหรับคนที่มีลมเบา ก็จะพิจาราเญ็นยากแล้วก็พูดกันแบบภาษาไทยง่ายๆเว่าร่างกายนี่มันตายแน่ความจริงเรามีความรู้สึกอยูเสมอเว่าร่างกายนี่มันจะโซงอยู่เรามีการขีเรามีการรักแร้กายอย่างยิ่ง บางทีจะมีคนมาปรามาถร่างกายของเราว่าร่างกายของเราไม่ดีผมไม่สวยผมเยื่งผมเหลืองหน้าตาไม่สวยนําไปบ้างขาไปบ้างด่างไปบ้างลักษณะร่างกายรเราไม่สมสัตย์สิ่งส่วนที่เราก็โกรธท <c oughs> ําไมเราจรึงโกรธก็เพราะถือว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นพวเรา <c oughs> เมื่อเขามาติดเท่านิดเดียวเราก็าโกรธ แ้าเมื่อแท้จริงๆร่างกายนี่มันเป็นเราจริงหรือเป็นของเราจีิงหรืเปล่าเราใช้ปัญญาสักนิดหนึ่งไม่ว่าเราจะใช้สัญญาอย่างเดียวแต่ความจริงคนที่ใช้สัญญาเนี่ก็ยังดีสัญญาปแปลว่าความจําจําไว้แต่เพียงว่าที่พระพุทธเจ้าเป็ว่าอย่างนี้ พระพุทธเจ้าตรันบอกว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงคนและสัตว์ทั้งหมดที่เกิดนแล้วตายเหมือนกันทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าตรัสจัดอย่างนี้คนที่มีสัญญาคือความจําเขาก็จำได้สัญญานี้ก็ได้จากตัวสติสัญญา เป็นตัวนึกไว้แล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอว่าเราจำได้ถูกต้องไหมจริงอย่างนี้มีอะไรบ้างนึกมาไว้แล้วแล้วสัมผัสเยอะๆเข้าไปรู้ตัวคนที่มีสัญญาจริงๆเขาจะว่าเป็นคนจริงได้เหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่มีสัญญาคนที่มีสัญญาเป็นนักหลอกแบบเห็นเขา รักษาสิ่งบริสุทธิ์สว่าดีเราก็รักษาสิ่งบริสุทธิ์ถ้ามีจิตเมตตาปราณีเข้าเลยสว่าดีเห็นไมคนที่มีความเมตตาปราณีเป็นที่รักของคนทัวไปเราก็มีความเมตตาปราณบ้า ทั้งทั้ง่ไม่รู้คุณค่าวขาขคอแท้จริงจริงอะรสองห้องสี่หน้าดีอย่างไรเราไม่รู้มีมีปัญญาเราจะมีนิสัยยัง <c oughs> ได้จำว่าพระพุทธเจ้ายางกล่าวว่าสีเลนสุจริงอันติคนปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ย่อมมีความสุขกายใจในชาติปัจจุบันถ้าตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นชทวดาได้ นี่เลนโฟก็สมสาชาคนที่มีสินอยู่ในชาต น, นี้ทรัพย์ก็มีความปกติมีเยียกเขียนยบริบูรณ์บริทธิ์เพราะว่าไม่ใช้ในเขตที่รุ่มร่ามคือนีใสรู้จักการใช้การจ่ายการใช้สอยทรัพย์สินใช้ในในส่วนที่มันเป็นประโยชน์ไม่รุ่มร่ามเกนไป ที่เลนนี่โพจิียนติพระพุทธเจ้าถรงกล่าวว่าสินย่อมเป็นปัจจัยเ้องถึงผลิตภัณฑ์ในเบง่ายนี่เป็นอนว่าคนที่มีสัญญาเขาก็จาพระพุทธเจ้าบว่าสินนี่เทาไรเพราะว่าต้องปฏิบัติสินห้าเป็นสินปกติถ้าถ้ามีสินแปดแปดก็เป็นสินสมัยจันเป็นสินเลิศกว่าสินห้าเบอไก่ก็จา จำได้ด้วยข้อสิ่ห้ามีอะไรบ้างสิงแปดมีอะไรบ้างทห้กล่าวที่นี้สองโ้อสี่ก็เป็นเหตุความสุกร์ก็จำได้แล้วก็ปฏิบัติตามอายการก็ไปเรียกปฏิบ да ัติแบบผู้โง่ก็ได้แต่โง่ที่เดินตรงไปสู่ความดีนี่เป็นเรื่องของคนที่มีสัญญาก็ใช้ได้ คนนี้มีสัญญาประเภ ท, น, เเ น, น, ท น, นี้ก็ถือว่าเจริญในด้านสวัาดิกรรมฐานนี่กล่าวไปเพื่อทานทุติยจากย์แปลว่าทานเป็นปัจจัยตัดความโลภความโลภประเภทไหนที่มันชฉาถ้าความโลภที่อยากได้ทรัพย์สินเขับบุคลอื่นมาเป็นของตนโดยไม่ชอบทำโดยที่เดียวของเขาไม่ให้ เรื่วความโลภเกินไปที่เกินฐานนะที่โมเมาเกินไปคิดว่าเราจะไม่ตายจากทัพจากถึงเก็ทับสิงเกินคนหนจะเป็นความโลภที่มีตะการตำหนิทีไ่ไปส่งเสียอยู่มากเพราะไม่ได้มากรรมน์มาสมุนทั้งตัวเรอ ง, งความโลภจะเป็นลักษณะไหนก็ตามาก็จะถือว่าเป็นจิตทําเป็นตัวจิตให้หนา พระพุทธเจ้ากล่าวว่าขุนตังทีเวหองลูกขกคอท่านางฟาเหทหวงทรัพยสินโ ข, อขอ้อเท้าคนที่มีความโลกคนที่มีความเหนียวในทรัพย์สินลืมตัวคิดว่ามันจะเราจะตายทรัพย์ ส, สนินเราไม่สามารถทจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยไปไหนไม่ได้ห่วงทรัพย์หองสินหวงน่อนหอง น, นี่ที่มันมีอยู่ เร่งว่ามันจะจกต่อไปที่นี้สําหรับองสมเด็จพระจอมใจเขสอนว่าวิธีการที่เพื่ออารมณ์ให้เบาให้มีความสุขกับความโลภเขาจะอาศัยการให้ทานการให้ทานตัวนี้ก็ให้ทานในการหวังที่จะไม่หวังผลตอบแทนเป็นการฆ่าตัวสลักสร้างความสุขส่งข้าบุคคลเองให้มีความสุข เมื่อเราทรงครอบเขาแล้วเราก็ไม่สากัน่งนะว่าคนนี้จะต้องมาเกืีอดกูนเราก็องตอบสนองคณเราเราถือว่าเราทําตามหน้าที่ของคนดีให้ตามที่พระเจ้าว่าอย่างนี้ก็จะเป็นการดีการปรารจกความโลภเราเป็นของชั่ว กอรปรารถนาในการให้ทานตามคำสั่งและคำสอนของโอสมเด็กสัมมาสมัมพุทธเจ้าแบบสัญญาคือแบบ โ, โอรอที่ว่าเป็นปัจจัยของความสุ ข, ขเพราะการให้เป็นเป็นปัจจัยให้คนที่ได้รับการให้เป็นผู้รักเราเว้นไว้แต่คนที่อาตตันยูไม่รู้คนคนที่งมีจำนวนไม่มากนะัก คนประเภนี้ให้เท่าไรก็จําไม่ได้ให้เท่าไรก็ไม่รู้คนๆแต่ว่ามีจำนวนน้อยตอนนี้เราให้ไปคนดีมากเขาก็รักเรามากถ้า่เรามีคนรักมากเราก็มีความสุขเพระะว่าเจา้าช่วงว่ายางนี้เราก็ลองปฏิบัติตองทำตาม <c oughs> มีลักษณะการให้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งย่อมเป็นทีรักของบุคคลคนละเรียกว่าแต่ค น, นจาะเจอฐานก็จะมีการรู้สึกกระตันยอลงคุณเราให้บ่อยๆมันก็รักเราเหมือนกันนี่ก็เป็นปัจจัยของความสุขส น, นุ่งดรือนาจของสัญญาที่ อ, องสมเด็จจะมาชี้แจง ว, ว่าความโกรธความเพื่ อ, าอบาตต้องกําจัดเ้วยอำนายของสิ่ง นีความจริงสีนี่มาจากไหนเราไม่รู้ก็ตั้งใจรักษาสีไบริสุทธิ์เราไม่ฆ่าตัดตัดชีวิตไม่รักษาสมมูลของใครเลยไม่ยื้อย่งความรักเคผลุนโพหกโมเทสไม่เดือดรำมีไรอารมณ์ใยก็มีความสุขอันนี้เชลว่าศีลานสติสมัชชาน การมุ่งในจิตให้ทานในวัฏจาทานโลกสติวัฏจารก็ต่อไปโองสมเด็จพระวิษณ์หมายกล่าวว่าจะตัดโมหะสู่ความหลงเสียต้องไหนมันหลงแล้วก็ไม่รู้ท่านบอกว่าจงยาเยือยืดับสิ่งใโลกนี้และจถึงยาเยือยืดร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเรา พขาได้เจ้ากล่าวว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงจงจําไม่เสมอว่าเราตายแน่ถ้าเราก็จําได้เมื่อเราจะตายองค์ก็เด็จพจอมไตรยทรงสัตว่าถ้าเราสร้างความดีมีรมปลอใจได้หน้าทานได้หน้าสีได้หน้ากาเราาาเจเริญภาวนายอย่างนี้เป็นปัจจัยให้เราเกิดในดินใดนของความสุขเข้าจําได้ จำได้แบบโอ้มักจ บ, บอกให้ทานแล้วก็ให้ทานทานาทานางชะกัโสรทานนางก็บัวทานเป็นบันไดเกิดเรวรสวรรค์แอ้วสวรรค์ก็สรวรรค์ไม่ได้ถ้าเรากพยายามให้ทานก็ไปสรวรรค์นี่การรักษาศีลเป็นปัใจจัยให้เกิบบกดเวรสวรรค์คนใดเป็นปัจจัยเกิดในกลุมบรญโลกคนใดแล้วก็ปัสสาวะศีลนี่การภาวนาเราคิดว่าร่างจเพรางเรามันตายแน่นะ เมื่อตายแล้วคนหนึ่งก็ตายให้วดวงมีอะไรบ้างพื้นที่จะนําไปได้มีไหมเมื่อพิจารณากันจริงๆจะเห็ว่ามันไม่มีมนี่พิ่เจรณาแบบนี้เป็นแบบสัญญาทุกปัญญานิดหน่อยถ้าเราจำได้อย่างนี้เราตัดอารมณ์ชั่วของจิตทุกอย่างอารมณ์ชั่วในการโลกอารมณ์ชั่วในความโกรธความสม บ, บัต การอิจฉาลิสิยาชเราบ้านชารเสียสิชเราบ่านการปราโมชทราบ่ายมันอยู่ในลมความความโกรธทางนั้น <c oughs> เราตัดไปเสียหมดเหลือแต่อารมณ์ดีดีในดั่งขอบเขตของศีลเราเราก็มานั่งในเกื่องความตายเป็นสำคัญก่อนจะตายเราเลือกตายเอาทีเดี เราให้ทันแล้วแล้วเกิดคนสวรรค์แลเกิดสป็นมนุษย์สุนโขแล้วก็เป็นคนรวยแล้วเราสาธิชแล้วก็เป็นคนพอเกิดคนสวรรค์แล้วมาเกิดเป็นมนุษย์สนโแล้วเราเป็นคนสวยจนจนรวยสร้างชื่จากโรคใครเจ็บอย่างนี้ใช้ได้นี่เป็นตัวสัญญาถ้าเป็นตัวปัญญาด้านโส่วนตัวเรากำหนดที่จุดเดียว ว่าอาจจะทาาแร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่คนเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีใเราเราไม่มีอำนาจที่จะบังคับร่างกายที่เป็นกอบวิชาสี่แล้วก็ร่างกายมันจเสื่อมร่างกายบันโทมร่างกายมันจะป่วยร่างกายมันจะตายเราห้ามไม่ได้ร่างกายเป็นปัจจัยของความทุกข์ร่างกายเป็นจุดรวมของความทุกข์ อ้ามีเพราะอะไรพ ร, ร่างกายมันเสื่อมแต่ความทีงร่างกายมันไม่ทุกเรามันเสียทุกเองทุกข์พอะไรเพราเราเไม่ยอมนับนักทีกดคนธรรมดาที่เราใช้ธรรมดามีบัญญาแล้วสัญญาจำมาได้ว่าร่างกายจึ็ขอไม่เที่ยงแต่ความตายเึยงของเที่ยงจำมาถึงใช้ปัญญามาพิจารณาร่างกายว่าโ อ, อ๋เนาะ ร่างกายนี้มีความเกิดขึ้นในเวรตน้นแล้วก็มีการทุกข์รุนแรงประกอบไปด้วยความลำบากใกิจการงานในความหนาวความร้อนความหิวความกัวหายการปวดอุจาระปวดเสวาการปวดไข้ไม่สบายการกระทบกระแท่งอารมณ์ที่ไม่ถูกจใจและมีความตายเป็นที่สุดเป็นอนากางกายไม่เพ็นงเท่านั้ ถ้าเกิดเชียงไหลมีร่างกายอย่างนี้เราก็มีแต่ความทุกข์ถ้าว่าเอินถ้าเราจะไม่มีร่างกายในการต่อไปมันจะดีไหมว่ายน้ำนึกว่าความหิวมีอะไรเป็นสําคัญก็ ม, มีร่างกายเป็นสำคัญหนาวร้อนมีร่างกายเป็นสำคัญป่วยไข้ไม่สบายมีร่างกายเป็นสำคัญความแก่ความเท่ามีร่างกายเป็นสําคัญ ทุกเวทนาสหรพิมพบิดพักาย ก, ก็ก็มีร่างกายเป็นสำขัญ ค, ความตายเข้ามาถึงก็มีร่างกายเป็นสำขัญถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวสินเท่ไเาไรลรานี้มันจะมีได้ยังไงแล้วปัจจัยของความโลกที่ความปัใจจัยในโลกที่เป็นทรัพย์สินบ้านเรือนโรงเงินทองหลายทั้งหมดคนที่เขาตายก่อนเราไม่ใครแบกไว้ได้บ้างไหม ้าไปมาหาไม่ได้นี่เราจะมานั่งเมาร่างกายเสประโยชน์อะไรเสียวางฟารับเสียงเสื่อว่าความโลภจะไม่มีในจิตของเราความรักในระหว่างเพศเราก็จะไม่มีในจิตของเราก็อะไร่รั ก, กไปคำเกลื่อยตางคนต่างก็โตศมตายคนตาก็ตายตายคนต่างก็สุขสุข ใจเราอยากได้ขอสวยใจเราอยากอยากได้ของเสอาจจะเนื่อใจกจริงมันะระตกสมุนทั้งหมดให้หลงไหลไปฝันทำไมแต่ว่าก็มีสภาพวิจารตัวความเสื่อมมันโจรมันเกิดมีแต่ความทุกเ์มีแต่ความลำบากอุดสต่งางกันทำไมจะไปนั่งโง่หลงไหลไฝันได้่างกายของเราแลร่างกายเข า, านขคนอื่นมเพราะมันดูชิ้นหลายในโลก ที่เราอยู่เราตายแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างคนที่โกงสบายเขาไมีไดความสุยยศคิดเพสุยศไม่มีความสุขนี่ได้ความต้องเป็นความปรารถนาอยากได้ปรารถนาในการเบียดเบียนตายแล้วอะไรไปได้บ้างจริงที่จะนําไปได้แน่ก็คืออัมบายนภูมิ ที่ลานีระเบสิสาวว่าโคสมเด็จตัวสัมมาสมพิชัเ จ, าจา้จาสิ่งที่เราต้องการคืออะไรนั่นคือความดับไม่เชื่อ ด, ด, ด, ด, ดับความโลภดับความโกรธดับความหลงช่วอารมณ์ให้เป็นุขยอมรับสถีสุทสด ท, ที่ความเป็นเกจรยงว่าคนและสัตในโลกก็หมดไม่ต้องการให้ใครมายิ่งแย่งความดับ ไม่ต้องการให้ใครมาเสียดสีก็มาเหงาหัวใจสิ่งกันอะไกันไม่ต้องการให้ใครมาทําลายทรัพย์สินสิ่งกันอะกันไม่ต้องการให้ใครมาทําร้ายร่างกายไม่ต้องการให้ใครมาเป็นผูส้สะสมเป็นศิลปูเราควรจะปฏิบัติยังไงเราไปยอมรับทราคิดคนั้นโั้จิตใจให้มีความสุขเรื่องไหนก็ไม่จาบารมี ไม่ตาสิรัษเกวียนสงสารร์ษเกวียนตัดอารมณ์ความชั่วทั้งหมดตัดอารมณความโลกไปมีขึ้มนมาในจิตคิดว่าโลกไปแล้วก็แข็งนะรวยแล้วก็แข็งนะซึ่งมันไม่มีความหมายตายแล้วก็ยกเลิกกันเป็นอนุภาคิดอย่างเดียวร่างกายมันเป็นของเดียว โลกทั้งหมดเต็มไปด้วยความเลวก็เป็นดินใดของความทุกข์เราไม่ต้องการสัพเพิจริงที่เราต้องการคสีผลิตภัณฑ์ก็การที่จะไปวิญญาณได้ต้องกนก็ไปตัดความรักใ้การพิจารณาว่าเราไม่ต้องตายจากกันหันเข้าไปตัดความโลภคิดว่าเมื่อเราตายแล้วแบกต่ำไปไม่ได้ ถังเาาข้าไปใต่ความโกรธความบุญบาตและคนที่เราโกรธจะบุบาตรเราอยากจะฆ่าเขาแล้วไม่ต้องฆ่าเขาลำบากอยู่แล้วมีสุดเขาก็ตายทาใจให้เป็นสุขแค่ในอิสรบรรดาศักพระบริณัติอารมณ์ใจเขาต้องก็จะหายจากความทุกข์อารมณ์ใจเขาต้องก็จะหายจากหายจากความชั่ว จิตใจก็จะไม่มัวหมองมีแต่อารมณ์ขลอดใสเวลาท่จะตายก็ไม่ผ่านเปจะดีหวังได้ลำบรรดาท่านพุทธบริษัท้งหลายต่อจนี้ไปขอทุกทา่านทา้งายให้ทรงดำรงสิตใจใ้ม่กำหนดรูด้ลงไม่ใจเข้าใจออกใ้ทำภาว น, นาและพิจารณาธรรมะติยาใจด้วยกวาจะจินสัญญาณบอกบริเวณ คำถามเ่วาคนที่ไม่เคยจิตทองพระน่ะมีไหมที่นี่หายหากสุว่าเขาปิดกั้นโดยให่ใช่ใช่แล้วบ ร, ร, รกาศเศรษีเริ่มต้นจากทองไปวางไว้จิมันเป็นหลุมช่วงอ๋อแค่คนเดียวนะไปิดวัอะไรเลยเหรอก็จนขนาดโอจนสาด จ, จันเลยแต่ยังไม่แต่ผ้าพันหะัเหี้ยโอ้ไมีเลือกจนขนาดนั้นใจมีศรัทธาว่าอยู่ข้างวัด จะหายเช้าจริงค่ำในเวลาจะไปทำบุญก็ไม่มีราวนี่มันในเมื่อเขาสร้างวัดเสร็จเขาสร้างโ้สร็จเขาขุดหลุมแล้วใช่ไหมครับขุดหลุมเพื่อเทีย่ยวแตั้งใจสองคนตายยายดังคือเอาทองไปติกขดหลุมส้วมเป็นการบูชาพระรัตนตรัยโอ้ถ้าใช่ตันเองนะตายจากนั้นแล้วสองคนตายยายก็ไปเิด็จไปเจวดากับนางฟ้า ลงมาจากเทวดากับนางฟ้าก็มาเป็นมหาเศรษฐีนะบุญเท่านั้นน่ะนะเอ๊ะต่อมานี้เมื่อเป็นมหาเศรษฐีแล้วนะบ้วันหนึ่งไปพ่อพระราชาไปเจอปุโรหิเข้าประคันกระแตกระแๆลอยก็ถามพระอาจารย์เหตุการณ์ท่างายจะมีก็บ้านเมืองไหมปุโรหิตก็บอกไม่มีแต่เหตุมันจะมีดีเสีย นั่นคือนับตั้งแต่ปีนี้เึ็นต้นไปฝนจะแลกไปสามปีกดเจ้า <Okay. S 1> บ้านจะลำ บ, บากจะอดเช่าตรากันคือแข่งกับมาบ้านก็สั่งซื้อข้าวเป็นการใหญ่ถ้า <Okay. S 1> ใ, ให่ใส่ชางเดียวล่อหลายชางเลยนะเ mm hmm. ขาพูดยังมีใช่ไมังเทของไม่พอใส่พร้อมพอไม่พอใส่กระบุงกระบุงไม่พอใส่ขยำก็ดินเหนียวพาวขาชางเจนาตันหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ผลมันก็แรกจริงไอปีแรกแล้วเนี่ยคนชาวบ้านยังไม่อดทีเดียวของเก่ามีใช่ไหมพอเริ่มปีที่สองเขาก็เริ่มไม่อยากกินใช่แต่ก็เลยสงสารชาบ้านแจกข้าวที่โอ้ใชดีนะครับแจกข้าวไปปีที่สองยังดีวพอถึงปีที่สามแง่แก่แล้วอะไรแง่ครับกไม่มีจะกินเองหมดแจกไปอย่างมาหมดไอ้ข้าข้าหญิงชายในบ้านก็ต่างหลายร้อยคนนะไอ้ผีเ<ห>นี่ย ในที่สุดก็ต้องปล่อยฆ่าฆ่ า, าวิชาตกใครอยากจะไปไห น, ไ น, น, ไนก็ไปแ้นจากความ็นชาติมีสิ่งต่างใช้กันอาชีพของตัเองไปเคลอนอยู่กับฉันพอเสยก็ตายแต่แก็มีคนเดียวธาตุเช่นในบุญไม่ยอมไปผมขอเป็นธาตต่อไปแล้วต่อมาในขั้นสุดท้ายจะเหลือข้าวสารอยู่นอ่อดีลห่วงข้าสุดท้ายกันนบกรับในตอนเช้าท่านไปเข้าพระพุทธมหากรศสยกลับมาวันนั้นบังเอิญพระ พระเจ้าพุทธเจ้ากออกจะกในรลกนัก้สมาบัตินั่งดูปับาา้บลงเขายอดเขาตมาดนี้มีบ้านนี้มีข้าวอยู่บ้างบูชาดูว <c oughs> ่าจะสงเคราะห์ยู่ไหมโอ้จะสงเคราะห์ไอ้ก็หอบมาแล้วก็ลงมาเพื่อปัญญบัติม่ายืนอยู่ถ้ามหาเศรษฐเห็นเข้าวก็ถามเมียแก้ากลับมาจะเข้ามาหาเศรษฐีถามเมียบว่าข้าวเรามีเท่ า, า, าไหร่เมียเมียกับพัญญาสองคนจะตอบเหมือนกันโอ้ ก็คนคนเดียวกันแต่บางคนไม่ได้พันยาบางคนเรื่องเันยาที่ผู้เขียบ้านพันยาพุ่มยาพุ่ปเจดีบ้านเนียยเนี่ยอ้ก็เลยเรียกผู้พูดคนทุกย่าอทานทกขานกันนะการเมองกันตัวแหม่ก็บสเรียกว่าถามพันยาบอกว่าเข้ามีเท่าไหร่พันยาบอกว่าถ้าหุงได้มอเดียวถ้าว่าถ้าต้มได้สองวันจะหงได้วันเดียวนะโอ้แล้วเราตัดสินใจบอกเอ า, อางี้ก็แล้วกัน เรากินวันนี้หมดถ้าต้มวันนี้กินหมดก็ต้องตายถ้าหุงยังไงกินข้าสวยตายดีกว่าจังเดียวหุงข้าวพอเดียหุงเสร็จเริ่มจเจี๊ยทาท่าจะยังไม่จังข้าครัวนะเขาบอกว่าเสร็จแล้วทำข้าว่าใส่ข้าวครเสร็จพระยืนปับหน้าบังเสร็จเลยนี่แหละท่านดลยคิดในใจว่าท่าก่อนเราคงทําบนได้น้อยกว่าเจอาท่านนี้ถ้าเราใส่บาตเราไม่ใส่บาตวันนี้วันนี้มีชีวิต แต่พวกนี้ก็ตายถ้าใส่บาปวนี้ทำหมดตายวันนี้ตายเพราะกำลังบุญใส่บาปดีกว่าถูกได้ตัดสินใจกันห้าคนตัวท่านพันยากระลุกทายลูกสะพ้ากับนายพาดขะร่วมกันไปใส่บาปพระเจ้าขุนเจ้าพอใส่บาปเสร็จก็อธิษฐานว่าทำใดที่พระผู้เป็นเจา้าเห็นแล้วพราะผมผมเห็นคำนั้นเราเสกทับแล้วต่อไปอธิษฐานต่อว่าผมจะเกิแดแชาย์ใดเช่นในขอเป็นพ่อบ้านทุกชาติ แกไม่ยอมไม่ดีอแม่บางคนบอแทนเกิดทุกชาติทุกชาติแต่นกต้องการเกิดอยู่ขอเป็นเมียคนนี้ต่อทุกชาติโอ้โอ้ใครขอเป็นลูกทุกชาติลูกสะพ้ายเขาเป็นลูกสพ้ายทุกชาติกีตาบุญบอกขอเป็นผ้าทุกชาติกระเจ้าันทร์บ่านนี้ก็มีประเจ้านะแล้วก็เป็นว่าลับขบาบ้าน พอตอนไม่บ่ายหิวแล้วใจบุญไม่จะใจบุญขนาดนั้นก็ยังใจบุญอยู่วน้อยแมวแมวไม่เี้แรงแล้วถามมันยาวใหญ่เอ้ยให้ข้าวจก็หมออไม่ต้องม็มันมีไหมเอางี้ก็แล้วกันนะเอาน้ำไปกรอกๆพาไปกข้าวมาเป็่งหน่อยมันจะตายไม่ว่าหรอกก็จะเสียกลนนี่เป็นยายก็สงสารยายก็หิวใช่มต่างก็ตางหิวไม่กินเลย ถาใหญ่ก็เข้าไปตัวดูจะเอาหมอ้<า><ข>อน้าไปใส่หม้อจับมาล้างหม้อน้ำล้างหม้อพอไปถึงเข้าบ้านเข้าในตัวเปิดฝาหม้อข้าวเต็มเตเข้ า, ขาสุกร้อนถึงมันหุงใหม่โอเปิดหมอ้อแกงแกงเต็มเปิดห ม, ม้อต้มต้มเต็มเปิดหมอ้อผัดผัดเต็ม<อ>มันเป็นไปทุกอย่างอาหารทุกอย่างที่เคยทําพัชนะมันเป็มหมด